พระบัญญัติ744ก็ภิกษุณีใดแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีภายหลังภิกษุณีนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าจีวรของเธอจงนําจีวรของดิฉันมาจีวรของเธอต้องเป็นของเธอจีวรของดิฉันต้องเป็นของดิฉันจงนําจีวรของดิฉันมาจงรับเอาจีวรของเธอคืนไปเถิดชิงเอาคืนหรือใช้ให้ชิงเอาคืนต้องอบัตินิสกิยปาจิตตี เรื่องพิกุณีทุลนันธาจบ